คนอยากจะเห็นระพินไพรวันมีสีหน้าที่นุ่มนวลอ่อนโยนเช่นนี้ตลอดไปเพราะมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่แวดล้อมรอบกายอยู่ในภัยนรกดูเป็นมิตรและแจ่มใสขึ้นแต่ให้ตายเถอะทุกคนรู้เส้นจับนิสัยบุคลิกประจําตัวของเขาได้เสแล้วว่าถาหมอนี่มีท่าอันลดูอ่อนหวานเยือกเย็นและช่างยิ้มช่างเล่นเมื่อไรเมื่อนั้นทั้งคณะ อยู่ในภาวะวิกฤตแล้วข่าวหน้าและรอยยิ้มของคนคนนี้เปรียบเหมือนประลอดวัดความคับขันของสถานาการณ์ได้ดีแล้วก็แม่นยำที่สุดเช่นด้วยจะอย่างไรก็ตามนายจ้างอเมริกันทั้งสี่ก็ดูเหมือนจะปล่งตกต่ออนาคตของตนเองแล้วเช่นกันในทํานองว่าเป็นไรก็เป็นกันฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับลิขิตของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเมื่อก่อนจะออกเดินทางกันมาพวกเขาเหล่านี้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 ในท่าพักผ่อนตามสบายอเมริกันอาวุโสผู้นี้โดยแท้ที่จริงแล้วเป็นนักเผชิญภัยเกินกว่าที่ฝ่ายของระพินจะคิดมาก่อนทีเดียวคิดนะดูผาดผ่าดว่าทรหดบึกบึนในผิวนอกแต่กแนลึกแล้วเขาก็ไม่ใช่คนกล้าหาญอะไรนะักนอกจากความมุทะลุบ้าดีเดือดบัดนี้คิดชำเลืองไปที่เครื่องวิทยุรับส่งประจำคณะเมื่อได้ยินระพินพูด กะไว้ว่าพักพอให้หายเหนื่อยสักนิดก็จะทดลองติดต่อเรียกเพื่อสอบทิศทางกระหอควบคุมดูเบนลงนอนตะแคงสีสะหนุนแขนตัวเองหลับแบบฟิวขาดเชอดวุธนั้นแม้จะเหนื่อยแสนเหนื่อยก็ยังตาใสายอยู่พยายามมองดูที่ระพินและพวกลูกหาบทุกคนส่วนคริสติน่าหรือไลล่าอามิเตตดนั่งกอดเขา่า หันหน้ามองไปทางไอของบอ่อน้ำโครนเดือดที่ส่งควันระเหย อ, อยู่ด้วยอาการพินิษคร่ครวญแม่ผมทองลูกครึ่งระหว่างตุรกีกับอเมริกันผู้นี้มีอะไรในตัวหลายๆอย่างเป็นส่วนผสมระหว่างมาเรียฮอฟมันอนันไทร์กับแม่ดอกฟ้าดารินของเขาแต่ก็มีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะตัวบางส่วนแยกออกไปสวยลีลับ อย่างแขกขาวผสมตะวันตกฉลาดคมลึกซึ้งอ่อนหวานแล้วกล้าวโหดสุดแต่ภาวะทางอารมณ์เป็นสิ่งที่ทั้งหน้าทดถอยให้ห่างๆเท่าๆกระดึงดูดให้เข้าใกล้มันผลักผลักดันดันชุดๆุดดึงดึงยังไงอยู่วันนี้ป่อแป้อ่อนแอที่สุดแต่มาวันนี้ลอนดูเหมือนจะแข็งแรงที่สุด ไม่ว่าทางกายหรือทางใจนี่เป็นสิ่งที่คิดคำนึงอยู่ในใจระพินไพรวันแล้วเขาก็รู้สึกสมเพชในทหารรุ่นน้องที่เคราะรารติดมาด้วยในครั้งนี้เชิดบุตรไกรรณยุทธหนุ่มน้อยที่ไปลหลงไหลไฟฝันในตัวของแม่ภูเขาไฟบกคลุมด้วยหิมะคนนี้เขาเขาอยากจะเตือนเชิดบุตรให้ลดความจริงจังของหัวใจลงซะเถอะ แต่ก็ไม่กล้าเกรงจะมีการเข้าใจผิดไปเป็นอย่างอื่นไลล่าไม่ใช่ผู้หญิงที่ผู้ชายทุกคนไม่ว่าจะช่ำชองชานฉกาดขนาดไหนจะพึงสเสน่หาหลงผิดเอามาเป็นพัญญาหล่อนเปรียบเหมือนดอกไม้กลีบงามยั่วตาที่ซ่อนเอาพิษร้ายมห า, หาการเอาไว้ในเกสรอย่าว่าแต่เขาผู้ซึ่งมีเจ้าของหัวใจ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 แต่ไม่ใช่เพื่อนผู้ครองรักครองเรือนของใครและชีวิตหลอนก็คงจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปนี่เป็นสิ่งที่เขาศึกษาและแน่ใจได้มาจากการร่วมชีวิตบุกบันเดินป่ากันมานานวันเข้าซึ่งทำให้อย่างซึ้งซึมทราบได้ดีที่สุดดูเถอะแม้บัดนี้เชิดวุฒิจะเดินเข้าไปหย่อนกายนั่งมีอาการเหมือนจะพูดเอาอกเอาใจหลอน ไม่รู้ไปกะหลีกะหลอเอาใจกันอีท่าไหนเขาเหินหล่อนใช้สอกกระแทกต้นแขนของเชิดวุฒเอียงกระเทเร่ไปพร้อมกับร้องมาดังดังด้วยเสียงเฉียบขาดว่า Would you stay away from me? t h why I kill you นายนั่นก็เลยเดินยิ้มแห้งๆมาหย่อนกายลงนั่งข้างๆเขาเอาไปทำผิดเส้นอะไรเขา้าละครับ ยอมพรานกระซิบถามอย่างสงสารพันรีหนุ่มโครงหัวบนอุบอิบร้ายกาจจริงๆอิงนังคนนี้แต่ถึงยังไงผมก็ยังรักช่วยเะไผมหน่อยได้ไหมครับพี่ชายจะช่วยอะไรอะ่ะแล้วก็ช่วยยังไงคริสเขาศรัทธาแล้วก็เลื่อมใสเชื่อฟังพี่มากถ้ามีโอกาสดีๆแดดร่มลมตกวันนี้ ช่วยกล่อมให้ผมเถอะบอกเขาว่าผมน่ะรักเขาจริงๆพรานใหญ่หัวเราะออกมาเบาๆอย่างขบขันอ้าวคุณปเดี๋ยวผมก็ถูกถกมาไม่ทันเหมือนคุณถูกเมตกี้เนี่ยไม่หรอกพี่ผมกล้ารับรองได้คริสต์ทั้งเคารพทั้งเกรงพี่จะตายไปนี่คุณเป็นพรานนำทางอย่างเดียวไม่พอ ผมยังต้องรับภาระหนักเป็นแม่สื่อแม่ชักอีกแล้วเนี่ยโถพี่ผมกราบแล้วพี่เอาเอาเอาเอาตกลงตกลงแต่ขอดูทิศทางลมก่อนนะคุณแต่ผมว่าคนที่จะให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือคุณมุตได้ดีที่สุดในเรื่องนี้ไม่ใช่ผมหรอกคู่หูคุณเท่าบุญคํำนะเนี่ยไปปรึกษากันที่คุณนายทหารหนุ่มสันหน้ายิ้มแย่ โหพี่ลุงคําแกก็ได้แต่ตลกขนองยุให้เกาป่าเข้ารกไปตามเรื่องแกสิคุยกันสนุกสนุกนะพผ่อนคลายอารมณ์ได้แต่จะไปหวังอะไรกับแกเกี่ยวกับเรื่องแบบเนี้เอะอะแกก็บอกให้ปล้าท่าเดียวมีหวังถูกอัดลอยว่าไม่ทันอะ่ะถ้าทําตามที่แกสอนนะพี่ <c oughs> แล้วเมื่อกี้ข้าวผิดท่าพิทางยังไงล่ะถึงได้ถูกตะเพิดว่าไม่ทันนะเอาผมก็ชวนหล่อนนอนด้วยคืนนี้ดิ หอันชี้ไปที่ก้อนหินแล้วบอกกับผมว่ายังไงพี่ดาวถูกไหมไม่ทราบปะหลนก็บอกว่าพุทธัวคอก into the hole of the rock ระพินเกือบหัวรอก ah กาออกมาป ล, ล่อยพืชพืชในลำคอ <c oughs> ก็เป็นบทกวีที่ไพเราะดีนี่คุณคริสก็มีอารมณ์โรแมนติกทางภาษาสิงอยู่ไม่น้อยทีเดียวนะเออแล้วยังไงต่อไปล่ะ เชิดวุฒิทำหน้าเรียร่าอ้อมแ้มมาว่าครับมันก็เป็นร้อยกรองที่คล้องจองดีหรอกแต่ผมฟังดูแล้วมันไม่รื่นรมเลยพี่พอมือวางบนตักหลอนก็ผลักผมแล้วก็แหกปากโวยวายขึ้นนั่นแหละนี่คุณวุฒิระพินพูดอย่างปราณียิ้มยิ้มอยู่ในสีหน้าถ้าคุณอยากจะชวนหลอนเล่นรัก หรือเปิดเกมสเสน่หาขึ้นแล้วก็คุณก็ควรจะต้องดูภูมิประเทศเหตุการณ์และก็กาลาเทศะให้มันเหมาะสมกลมกลืนซะก่อนที่คุณอย่าคิดแต่เพียงว่าบัวเคยขามาาเคยขี่ไอแดดกำลังร้อนเปรี้ยงแบบเนี้ยภูมิประเทศก็แห้งแรงกันดานเหลือเกินซ้ำยังกลางวันแสกใสผมรู้ดีนะว่าวันนี้แม่คริสก็อารมณ์ไม่ดีนักร คงจะนึกสาบแช่งผมยืนในใจเหมือนกันเพียงแต่แซงวางสีหน้าปกติเหมือนจะไม่สะดุ้งสะเทือนกับอะไรเลยทั้งๆ ท, ท, ที่ภายในคุณก็ต้องรู้ว่าหล่อนนะคุณมัวหวาดวิตกไม่แพ้ทุกๆคนในฝ่ายของหล่อนคำโบราณเขายังว่าจะเรียนร่ำทำอะไรไม่ลำบากยอดยากอยู่อย่างเดียวเกี่ยวผู้หญิงอย่าบุมบามดยคุณเอาไว้อากาศเย็นลงกว่านี้ บรรยากาศรื่นรมกว่านี้อะไรต่ออะไรมันก็ดีเองแหละนายทหารรุ่นน้องมองดูเขาด้วยตาเป็นประกายชื่นชมโอ้พี่นี่เก่งหมดทุกอย่างเลยนะแม้แต่จิตวิทยาเรื่องผู้หญิงโห้ยคุณตรงกันข้ามเลยผมมันบ่มีไกล้ไม่ได้มีความชำนิชำนาญอะไรสักนิดในเรื่องนี้ก็เอาสูตรสำเร็จความจริงมาพูดให้ฟังเท่านั้นแหละ คุณจะไปหวังอีอ๋ออะไรก็ไม่นั่นในตอนนี้ตอนที่หล่อนกําลังมีความคิดว่าตนเองอาจจะถูกหลอกขึ้นมาย่างทั้งเป็นอยู่บนยอดไปอีกอินทรีผมปลดไว้ว่าบนนี้น่ะมีสระน้ํากว้างใหญ่ใสสะอาดพอขึ้นมาหล่อนพบบ่อคโคลนเดือดอันเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของผูเขาไฟที่กําลังระอุอยู่ข้างใต้นี่ดีว่าเราขึ้นมาทั้งคณะทลาพังสองต่อสองผมว่าคริสยิงผมทิ้งไปแล้วล่ะ แล้วพินก็เอนหลังลงนอนอย่างง่ายๆรุปปีกหมวกลงบังหน้าแต่ริมฝีปากยังพูดอยู่แผลว่าว่ามาอยากจะเตือนแล้วก็อดไม่ได้เพราะเป็นห่วงคุณก็เหมือนน้องชายผมคนหนึ่งเตือนอะไรอ่ะพี่เชิดวุธลงนอนข้างๆทั้งสองพูดกันด้วยเสียงสุบสิบสุบสิบก็ อ, อยากจะเตือนว่า มีโอกาสเมื่อไหร่ก็จัดการแต่อย่าไปหลงปักใจจริงจังอะไรนะักคุณเลี้ยงเป็นลูกเป็นเมียไม่ได้หรอกผู้หญิงคนนี้ทำไม่ะพี่เชิดวุฒิกระซิบถามมาอย่างรอ้อนรนหลอนน่ะเป็นโรคจิตที่กระเดียดไปในทางอำมหิตเหี <c oughs> e ้ยมโหดบางขณะเวลาลืมตัวเปลือลอหลอนอาจจะแร่เนื้อคุณซึ่เมื่อไหร่ก็ได้ โดยที่คุณไม่ทันระวังอีกฝ่ายเงียบกริบไปในทันทีแล้วพินก็หลับไปอย่างง่ายๆสำหรับบ่ายอันแสนหนักวันนี้ไม่มีเสียงนกเขาตัวใดมาคูขันกล่อมเขาเลยจะมีก็แต่เสียงบ่โครนที่ลั่นอยู่คลึกครั่นเป็นดนตรีนรกแวววมาให้ได้ยินเท่านั้น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 จะตัวบททวิบาทซึ่งไม่โผล่ว่แววมาให้เห็นเลยแม้แต่ตัวเดียวเพราะเหตุที่ว่าพี่ชายใหญ่คือคุณชายเชษฐารังตัวไว้พร้อมออกคำสั่งให้เดินไปพร้อมๆกันโดยไม่ให้ไปนำอยู่เบื้องหน้าอีกแล้วดารินวราริศ จ, จึงต้องจับหมู่ไปกับอดีตท่านทูตทหารบกและเพื่อนชายชา ย, ยันคงปล่อยให้อนุชาและนานอินสองคน ไปนำอยู่เบื้องหน้าหนทางในตอนนี้เริ่มสลับซับซ้อนไปด้วยเหลี่ยมมุมบางตาร่องรอยของคณะที่ล่วงหน้าก่อนแล้วก็เริ่มจางหายคนไม่พบเนื่องจากพื้นดินอันเป็นหินดานแข็งตลอดมองไม่พบเศษวัดสดุใดๆแม้แต่ก้นบุรีหรือก้นซิก้าทิ้งไว้ให้เห็นรอยบากกิ่งไม้ก็ไม่มีสำคัญที่สุดก็คือ เจ้าด้วนที่ดุมเดินอยู่เบื้องหน้าก็ดูเหมือนจะไม่รอแล้วมันหายลับไปตามทางที่ไตขึ้นชันตามลําดับของไหล่เขาที่เต็มไปด้วยชะ ง, งอนแง่มุมบงังตอนนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกลางกะลุงอินเถอะน้อยรู้สึกว่าระยะที่มองเห็นกันอะระหว่างคนเดินหลังกับคนนำหน้ามันจะมองไม่ชัดแล้วเพราะเหลี่ยมมุมบงังถ้าเกิดอะไรขึ้นกั น, น้อย เป็นต้นว่าอะไรมันแอบซุ่มอยู่พวกเราข้างหลังจะไม่ทันเห็นน่ะพี่ชายใหญ่กล่าวอ่อนโยนแต่กึ่งเป็นคำสั่งกลัวเสือมันดักขย่ำน้อยหรือห้อยผีดิบมันไรนะ่ะดักฉุดเข้าไปหินดิมทางหรือไงชา ย, ยันบอกว่าไอ้เสือน่ะไม่เท่าไรหรอกเชื่อวมืออย่างเธอทันที่จะป้องกันตัวไอ้ผีนรกดึกดำบันตัวนั้นน่ะ ฉันคิดว่ามันคงไม่งโง่น้อยไปกว่าเราหรอกวูบเดียวที่มันกระชากเธอบางเหลี่ยมหินเราก็ไม่รู้จะตามกันไปทางไหนแล้วนี่สงวนเนื้อสน่นสงวนโตให้หน่อยเถอะน้อยอย่าเอาแต่อารมณ์เร่งด่วนพุ่งพลานนักปล่อให้กลางกะลุงอิ น, น่ะเป็นหน่วยหน้าไปก่อนดีกว่าสำหรับระยะนี้เนะ่ยฉันดูภูมิประเทศแล้วมันไม่น่าจะาไว้วางใจอะ่ะหล่อนเงียหู พยายามจะจับเสียงกระดึงที่ผูกคอเจ้าด้วนไว้เงียบกริปไปไม่ได้ยินนานแล้วแสดงว่าถ้ามันไม่แยกไปทางไหนชะก็คงจะนำไปข้างหน้าไกลลิบและสำหรับอนุชากนันอินก็ลับตาหายไปแล้วเห็นหน้าของหล่อนซีและเศร้าพี่ชายก็เอามือวางลงบนไหลขณะที่เดินเคียงคู่ไปด้วยกัน น้อยคงยังไม่ทันสังเกตเห็นตรงหน้าผาที่เราผ่านมานั่นให้ตลอดหรอกทำไมคะก็เสือดาวตัวนั้นน่ะตัวที่น้อย ก, กลางบอกว่ามันเกาะหินแล้วร่วงไปจากเขาอะ่ะทำไมหละคะหลอนถามอยู่ในประโยคเดิมเชีดฐายิ้มน้อยคงคิดว่ามันร่วงลงไปแหลกตายแล้วแล้วก็ไม่ได้สนใจจะหันไปดูอีกที่แต่พี่สองกล้องจับอยู่ตลอดเวลานะสักพักใหญ่อะ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 ต้องมีบริเวณที่มันตะกุยคว้าพยุงไว้ได้เป็นยังค่ำายกเว้นอย่างเดียวถ้าร่วงโดยอาการถูกปืนน่นก็อีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นก็เลกคิดถึงโชคลางในแง่ร้ายเสียสีหน้าของน้องสาวดีขึ้นเล็กน้อยเนะค่ะน้อยไม่ทันสังเกตเห็นเห็นเฉพาะตอนที่มันพลาดร่วงลงมาเท่านั้นแต่พี่ใหญ่อย่ามาเอานิยมนิยายอะไรกันน้อยเลยคะ่ะ รู้สึกตัวเองว่าตอนนี้ประสาทไม่ค่อยจะดีนะักมองเห็นเหตุการณ์อะไรก็คิดไปเปรียบทํานายโชคชะตาของระพินทุกทีเลยก็เพราะอย่างงี้สิพี่ถึงว่าเรามาเดินรวมกลุ่มด้วยกันดีกว่าไงชยันเข้ามาประกบอีกข้างหนึ่งโอบแขนกอดไว้อย่างรักสนิทนี่อีกไม่นานเราก็จะถึงห้วยสุรองแลวนะ ที่นั่นเราก็คงจะได้ข่าวพวกเขาชัดเจนทีเดียวนี่นี่นี่อย่าทำหน้าเศร้าไปอย่างนั้นเลยเนะน้อยมาเดี๋ยวฉันจะขับเสีพาให้ฟังเป็นตอนเดินป่าในเรื่องขุนช้างขุนแผนนะ่ะแต่ใครจะเดินเนี่ยฉันจำไม่ได้แล้วนะเนื้อเขาก็ว่าว่าพลางทางเดินเนินพนมรื่นร่มพันไม้ใบหนา พลางชมหมูวิหกนกนานาสาลิกาพูดจ้ออยู่จอแจคุ้มขาบเขาขันสนันป่ากระสาจับกระสังส่งเสียงแซ่นกกลิงจับกิ่งปลโลงแลคับแค ทางริมทางจรดารินยิ้นเศ้าๆเอ า, าเอาสีสะโขก็ะหัวไหลของชายันเบาๆชายันเธอเป็นเพื่อนที่ดีของฉันเหลือเกินนะแต่เสภพาชมดงที่เธอขับให้ฟังตะกี้มันไม่เหมือนกับสภาพของป่าที่เรากำลังเดินอยู่นี่จนนิดเดียวนะ ป่าในวรรณคดีนะ่ะเป็นป่าที่แสนเจริญรมแต่ป่าที่เราเผชิญจริงอยู่ในขณะ น, นี้มันเป็นป่าฮารุโหดฉันมองไม่เห็นนกอะไรต่ออะไรหรือพันไม้ที่เธอรำพันมาสักอย่างหันไปทางไหนก็หินกรวดตะไคร้ใบไม้แห้งแล้วก็ถ้าจะมีต้นไม้สักต้นก็แงนคอตั้งบา่าฮก็มีอยู่บ้างเหมือนกันนะ ได้ยินเสียงนกเขาใหญ่ขันมาแต่มองไม่เห็นตัวอ่าอ้ถ้างั้นก็เอาใหม่เอาให้ตรงกับบรรยากาศก็ได้จูหฮูฮุกกรูเขาคูคล่ำครวนจูหฮูฮุกกรูเจ้าร้างนวลโศกส่วนซบเศร้า เขาเจ้าเอยอย่าเลยร้องทำนองเศร้าฉันฟังแล้วฟังเล่าเสียงมันเข้าไปควานสวงชายันร้องเพลงอะไรออกมาท่อนหนึ่งอย่างปราศจากความหมายดารินน้ำตาคลอเพื่อนชายไม่ทันสังเกตหรือสําเนียกทราบรอ เขาหาเรื่องคุยเพื่อปลุกปลอบใจไปตามเรื่องทันใดนั้นเองกลุ่มที่เดินอยู่เบื้องหลังทุกคนก็ชะนักมีเสียงช้างร้องแวกขึ้นมาจากทิศทางเบื้องหน้าครั้งเดียวก็หายไปอาการนั้นทำให้เชษฐาชัยันและดารินขยับลูกเลื่อนพร้อมกันโดยไม่นัดไว้มันเงียบไปกึ่งอึดใจเท่านั้น ก็ได้ยินเสียงพูดของอนุชาแวววออกมาจากลำโพงจิ๋วของวิทยุมือถือที่เปิดสแตนบายไว้ตลอดเคนค็บเอวอยู่เรียกทุกคนครับเรียกทุกคนครับมีอะไรเหรอกลางพี่ชายใหญ่กรอกคำถามลงไปทันทีเร่งฝีเท้าหน่อยครับมีอะไรแปลกมาก ขณะนี้เรากำลังยืนอยู่ปากทางที่เคยเป็นช่องเขาแคบแคบแต่เดี๋ยวนี้เรามองไม่เห็นช่องเขาแล้วครับลุงอินยืนยันว่านำทางมาไม่ผิดด้วยครับทั้งชุดที่เดินอยู่เบื้องหลังเร่งฝีเท้าขึ้น ท, ทันทีอย่างร้อนใจและสงสัยในคำบอกเล่าสั้นๆของอนุชาทางวิทยุครู่เดียวทั้งดารินเชษ ฐ, ฐาและชยันก็โผล่เหลี่ยมหิน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 บางส่วนของเส้นทางที่เกลี้ยงเกลาก่อนจะไปพบจุดสะดุดชะงักลรากับมีใครโกยหินมากมายกลายกองลงมาทับถมไว้นั้นยังมีเศษก้อนหินกลิ้งอยู่กระจัดกระจายกาดเกลื่อนไปหมดอนุชาและนันอินยังยืงยนอยู่ยังตำแหน่งต้นทางที่ถูกกลบนั้นโดยอนุชาขึ้นไปยืนเด่นอยู่บนก้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่งโบกมือเรียกพรรคพวกมาส่วนนันอินกาลังแงหน้ามองสารวจขึ้นไป ยังหน้าผาทั้งสองด้านของช่องเขาที่อยู่ในลักษณะเกือบจะเบียดเข้ามาประชิดกันอะไรกันนั่นสิงเชษดฐาร้องขึ้นเบาๆอย่างไม่เข้าใจอะไรนะักถึงดารินและชายันก็ยังไม่อาจอ่านสิ่งใดออกในบัตรนี้เช่นกันต่างวิ่งเหาะๆตรงเข้าไปยังอดีตพรานชดทันทีด้วยสีหน้าตื่นตื่นพอถึงอนุชาก็กระโดดลงจากก้อนหินที่ขึ้นไปยืนอยู่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 โดยเฉพาะเนินสูงเต็มไปด้วยก้อนหินเรากับใครขนใส่รถดำสักหนึ่งหมื่นคันแล้วโกยลงทิ้งโถมไว้อย่างลวกๆโดยทับลงมาบนช่องหรือหนทางเดิมที่เป็นแนวมาตลอดแม้แต่ก้อนหินที่อนุชาขึ้นไปยืนอยู่และเพิ่งโดดลงมาหยกยกนี่ก็เป็นหินที่เพิ่งจะหลุดจากที่เคยอยู่เดิมของมันอย่างใหม่ๆโดยกลิ้งมาตั้งอยู่ตรงนั้นรอยหักแตกรอยร้าว และกองละเอียดยุ่ยเป็นฝุ่นของเศษหินเปราะบกคลุมไปทั่วเอ๊นี่มันลักษณะของหน้าผาทั้งสองด้านที่ยันประชิดกันอยู่มันทลม่มลงมานี่เชษฐาอุทานขึ้นอย่างพิศวงเต็ไมไปด้วยความคิดหนักพร้อมกับกล่าวเหมือนจะรำพึงกับตนเองต่อไปกองหินที่เห็นทับเส้นทางเดิมจนเกิดเป็นเนินใหม่ขึ้นมานี่ น่าจะเป็นหินที่ร่วงลงมาอย่างมากมายราวกับแผ่นดินไหวทีเดียวหล่นลงมากลอบเส้นทางเดิมสูงท่วมไปหมดลักษณะก็ดูยังใหม่ๆอยู่ไม่ใช่เกิดมานานนมแล้วครับยังใหม่ๆอยู่แต่จะสักกี่วันแน่นอนนะบอกไม่ได้เส้นทางนี้ผมกับลุงอินเคยผ่านกันมาแล้วครับโดยเฉพาะลุงอินนะแกเคยผ่านแทบจะตลอดชีวิตท่องเที่ยวไปมาอยู่ในแถบนี้ของแกนแหละ อนุชาเอ่ยขึ้นแผ่วต่ําสีหน้าเคร่งแต่เดิมทีนะ่ยจะเป็นเส้นทางเดียวกันกับที่เราเดินกันมานี่แหละครับโดยตัดผ่านเข้าไปในช่องเขาเป็นช่องแคบแคบขนาดไม่เกิน10เมตรเหมือนใครมาตัดเส้นทางของภูเขาใหญ่ไว้ให้เดินก่อนจะพ้นออกไปจากแนวขนาบของภูเขาทั้งสองด้านแต่เดี๋ยวนี้เส้นทางเก่านะั้นมันถูกขินจากหน้าผาทั้งสองด้านถาล่มลงมากรบใช่ละ ทับทางเดิมจนภูนสูงขึ้นมาชยันผิวปากยะวโล่โผล่งออกมาลอยๆว่ามันทลล่มลงมากลบช่องทางนี้ก่อนหรือหลังที่ขบวนของระพิงกับกระเรียงอพยพเหล่านั้นจะผ่านมานะอนุชาเม้มริมฝีปากเงยขึ้นไปดูหน้าผาสองฝั่งอีกครั้งพึมพมใครจะบอกได้ว่าก่อนหรือหลัง หรืออาจจะอยู่ในระหว่างที่คณะของระพินเดินอยู่ในช่องทางคับขันนี่ก็ได้ซึ่งถ้าเป็นอย่างหลังก็แปลว่าเรียบร้อยไม่ว่าจะมีสักกี่คนก็ตามถูกฝังอยู่ภายใต้เนินหินที่เกิดขึ้นใหม่นี่แหละกลบสนิทมิชิตจะยิ่งกว่าฝีมือของสัปเหร่คนไหนในโลกจะทำได้เช่ละไม่ต้องไม่เป็นอย่างนั้นแนะ่ดารินร้องออกมาเสียงหลง แล้วหล่อนก็ทลา ว, วิ่งเข้าไปที่ปากทางหินถล่มนั้นก้มลงสำรวจดูลักษณะก้อนหินที่ร่วงลงมาทับถมอยู่พี่ชายทั้งสองและเพื่อนเดินตามเข้ามาด้วยหล่อนพิจารณาด้วยดวงตาเบิกโพลงแล้วหยิบเอาเศษหินบางๆแผ่นหนึ่งชิ้นขนาดเถื่อนกว่าฝ่ามือเล็กน้อยขึ้นมาตรวจดูทดลองเคาะลงใกหินก้อนใหญ่ปรากฏว่ามันหักแตกกระจายเป็นฝุ่นขึ้นมาอย่างง่าย หินเปราะหลอนร้องขึ้นอีกครั้งหนึ่งเป็นหินประเภทหินปูนทั้งนั้นที่ท่วมทับทางอยู่นี่แล้วราชสกุลสาวก็นิ่งงันไปจ้องมองนิ่งไปยังถนนครูกระต่างระดับกับที่ยืนอยู่อันเปรียบเสมือนเนินสูงขวางอยู่เบื้องหน้าบัดนี้พวกลูกหาตามมาทันแล้วทุกคนปรงของลงชั่วคราว แง้มมองถนนที่เกิดใหม่อย่างตะลึงงงซุบซิบกันเบาๆอนุชาดีดนิ้วแรงๆเป็นสัญญาณเรียกครูพรานคู่ชีพของเขาที่กำลังยืนเท้าเอวแงนหน้ามองขึ้นไปยังหน้าผาฝั่งซ้ายมืออยู่พอแกหันมาก็กระดิกนิ้วเรียกนันอินเดินช้าๆเข้ามารวมกลุ่มด้วยนุอินบอกนายหญิงสิ ว่าทางตอนนี้แต่ก่อนมันเป็นยังไงหรือว่าลุงอาจนามาผิดทางเป็นที่ใหม่ที่เราไม่เคยพบกันมาก่อนนานอินเอาชายผ้าเขามาที่เขียนเอวอยู่ยกขึ้นถูนหน้าพรานชุดก็รู้ดีว่านานอินนาไม่ผิดเพราะตัวเองก็เคยผ่านซอกเขาแคบๆนี่มากก่อนกระเหลือบตามองหน้าเชิฐาด้วยคาวหน้าสงบ ยากจะอ่านความรู้สึกภายในทางตอนนี้นะ่มันเหมือนช่องเขาขาดตักไปในระหว่างเงื่อมเขาสองฝั่งเป็นช่องทางเดินกว้างแค่หกเจ็ดวายาวร่วมสองร้อยวาเห็นจะได้ถึงจะไปโผล่ออกทางปลายทางด้านโน้นออกที่ลุ่มตามเดิม ร้อยวันพันปีทางตรงนั้นมันก็เป็นอย่างที่นานอินบอกนี่แหละนายไม่เคยเปลี่ยนแปลงนานอินเดินผ่านตั้งแต่หนุ่มจนแกผ่านมาคราวนี้มันก็แปลกอยู่พระรามสั่งให้หนุมานเอาหินมาจองถนนทับทางเดินเดิมให้เป็นเนินสูงขึ้นมาซะละก็ไม่ใช่หินที่ไหนหรอกเป็นเปลือกหินที่เคยงอกอยู่ตามหน้าผาทั้งสองข้างนี่แหละ ที่มันร่วงลงมากลบไม่มีพระรามองค์ไหนหรือฮันุมานตัวไหนมาจองถนนสายใหม่ในคืนหรอกนุอินนอกเสจักว่ามันจะต้องมีอํานาจอะไรสักอย่างมาสั่นสะเทือนให้เปลือกหินด้านนอกของหน้าผาทั้งสองด้านร่วงถล่มลงมาและจะต้องเป็นแรงสั่นสะเทือนมากทีเดีย ว, ชวเชละเชษธาพูดขึ้มน เริ่มใช้กล้องส่องตามพื้นผิวของหน้าผาที่เห็นเกลี้ยงเกลาเหมือนถูกอะไรมาถากถามลิตรนโขดแง่ของหมู่หินงอกอันเคยประดับอยู่ตามธรรมชาติเพื่อกว่าให้ลงมากองสุมทับเบื้องล่างจนเต็มไปหมดลุงอินกับกลางก็ลองช่วยกันคิดให้ดีสิมันจะมีอะไรบ้างที่สามารถทำให้หินเหล่านั้นพัทงทลายลงมาได้ แม้ว่ามันจะเป็นหินปูนเปราะๆอย่างที่น้อยว่าก็ตามอดีตพรานชดหันไปหารือซุบซิบอยู่กันหนาอินอีกครั้งครู่หนึ่งก็หันมาทางพักพวกลักษณะของเขาคลางแคลงไม่สู้จะแน่ใจนะักแต่เดิมทีอ่ะถ้าเราเดินผ่านมาถึงเส้นทางนี้จะเลยเห็นหมู่หินน้อยใหญ่เต็มไปหมดบนสองฝั่งผา และหินที่งอกพราวอยู่ทั่วไปนะั่นแหละมันทันลมลงมาปิดทางเดินกลายเป็นเส้นทางใหม่ขึ้นมาผมไม่เชื่อว่าพายุจะเป็นตัวการเพราะช่องนี้นะ่ะมันเป็นช่องอัดทางลมต้นไม้อื่นๆในละแวกใต้เคียงที่เราผ่านมาก็ไม่เห็นมีรอยถูกพัดโค่อนอย่างใดทั้งสิน้นมันก็มีอยู่จุดหนึ่งครับที่น่าสงสัยอยู่แต่ผมก็ยังนึกไม่ออกว่าจุดนั้นถ้ามันเป็นต้นเหตุ มันจะเกิดขึ้นในจากอะไรหยุดอะไรเหรอเชษดาชายันและดาลิงถามขึ้นพร้อมกันอนุชาลดกล้องลงกระดกลิ้นออกมาเกลี่ยริมฝีปากอาการของเขาแสดงความยุ่งยากใจและขบคิดไม่ตกรวมทั้งประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งต่อมาก็ชี้มือไปทางหน้าผาฝั่งซ้ายมือตรงตำแหน่งหนึ่งสูงลิบขึ้นไป เห็นบริเวณที่เป็นแว่นขาวเวอร์ขนาดใหญ่ต่ำกว่าระดับชะง่อนที่โผล่สูงขึ้นมานั่นไหมครับพี่ใหญ่เชษฐาใช้กล้องของตนเองส่องตามที่ชี้บอกแล้วครางอืมทำไมเหรอแต่เดิมทีตรงนั้นนะครับมันเป็นภาพมหัศจรรย์ น, น่าดูมากสำหรับผูผาช่องทางเดินแคบแคบนี่คือจะมีก้อนหินใหญ่มาคือมาอยู่ก้อนนึงลักษณะเหมือนลูกตุ้ม ตั้งอยู่ยังมินเมย์ตรงนั้นเดิมทีคงจะเป็นหินใหญ่ทั้งแท่งการเวลาผ่านมานานสักกี่หมืน่นกี่กี่หมื่นปีแล้วก็ไม่ทราบอะกระแสลมที่พัดผ่านอยู่ตลอดเวลาก็ทําให้หินก้อนนั้นมีฐานคอดกิวลงไปทุกวันจนกระทั่งในที่สุดมันก็กลายเป็นภาพมาสจันท์ที่ผมว่าตะกี้คือส่วนบนใหญ่มาคือมาตั้งอยู่อย่างหวาดเสียวไม่มีสมดุล โดยมีแกนกลางที่ถูกลมพัดกร่อนเชื่อมติดอยู่นิดเดียวใครผ่านไปผ่านมาบริเวณนี้จะต้องรู้จักเคยเห็นกันทุกคนพวกชาวป่าแถบนี้ก็เห็นกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษหลายชั่วคนมาแล้วจะดูหวาดเสียวสักเพียงไรมันก็คงตั้งอยู่ในตำแหน่งเดิมโดยยังไม่หลุดขาดลงมาถ้าใครจะมาจับเฝ้ารอคอยดูว่าเมื่อไรหินก้อนนั้นจะหาจะขาดออกจากแกนที่ ก่อนกิว่วเหลืออยู่นิดเดียวนั้นหักสะบัน้นเพื่อจใจ ห, ห็นหินขนาดตึกนั่นขาดกลิ้งลงมาก็า จ, จะเป็นการเฝ้าคอยดูตลอดชีวิตหลายชาติก็ได้จะยังไงก็ตามถ้าถึงเวลาของมันจริงๆโดยมันเกิดขาดลงมาขนาดน้ำหนักอันใหญ่โตมโหฬารของมันที่กลิ้งกระแทกระลงมาตามลำดับจะ ก, กลายเป็นแรงสั่นสะเทือนอย่างมาหาสาร ใต้เคียงกับแผ่นดินไหวทีเดียวแล้วหากเรามายิงกันอยู่ตรงนี้ก็แรงสั่นสะเทือนนั่นแหละที่จะทำให้หินเปราะรอบด้านพลอยหลุดถลม่มก้าวตามกันลง ม, มาด้วยนี่เป็นเฉพาะความคิดของผมเท่านั้นนะครับเท็จจริงของเหตุการณ์ตอนนี้มันจะเป็นยังไงก็ยังบอกไม่ถูกเพราะเราไม่เห็นกระตาแต่ที่แน่ๆก็คือหินใหญ่คอดกิวจะขาดมีขาดแหล ก, ก้อนนั้น ขณะนี้หายไปแล้วแสดงว่ามันขาดหลุดลงมาจริงๆแล้วคงจะหล่นลงไปอยู่ตรงกลางเส้นทางอันถูกกรดนี่แหละร่องรอยของหินถล่มมันก็สดๆร้อนๆแม้จะไม่ใช่วันนี้หรือเมื่อวานแต่อย่างมากก็คงไม่เกินหนึ่งเดือนมันนี่เองอนุชาพูดอย่างแช่มช้าชัดเจนทุกคนสะดับฟังเขาอย่างตั้งอกตั้งใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลาง ไหนขอ ท, ทักทวนในสิ่งที่จะพูดใหม่อีกสักนิดสิชายันกล่าวขึ้นโดยไวพร้อมกะยกมือขึ้นแกบอกว่ามีหินโคลนกิ่วก้อนโตเดิมเคยอยู่บนหน้าผาที่สูงนั่นลักษณะจะขาดไม่ขาดแลพระลมพัดผ่านกัดกร่อนฐานของมันให้เหลือกิ่วข้อจนแลดูเป็นที่หวาดเสียวและห็นกันมานานแล้วใช่ไหม อนุชาก้มหัวล ง, ห, งหนึบหนึบใช่ถามนานอินหรือพวกคนป่าทุกคนที่เคยเดินผ่านเส้นทางนี้จะรู้จักขิงก้อนนี้ทุกคนเพราะก่อนจะผ่านเส้นทางแต่ละคนจะต้องทำความเคารพ บ, บนบานขออย่าให้มันหักขาดลงมาตอนที่เขาผ่านไปมาเลยเนื่องจากเส้นทางเข้าช่องแคบบีบบังคับให้อยู่ในระหว่างแนวบีบขนาดของหน้าผาทั้งสองด้านนี่พอดี ส่วนมากเท่าที่รู้ๆกันน่ะพวกชาวป่าทุกเผ่ามาที่นี่จะทำเสียงโห่ร้องขึ้นหรือวิชะนั้นก็ยิงปืนสลุดขึ้นหนึ่งนัดเป็นการแสดงความเคารพตามธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติกันมาครั้งปู่ย่าตาทวดหลังจากนั้นจึงเดินผ่านชอกเขากันไปฉนันเองกัลุงอินก็ทำแบบนี้ทุกครั้งน่ะแต่ถ้าจะวินิจฉัยตามหลักของกลศาสตร์ฟิสิกก็คือ ต้องการให้เสียงที่ตะโกนหรือเสียงปืนดังออกไปนั้นเป็นคลื่นอากาศกระทบดูเพราะคลื่นเสียงก็มีอิทธิพลพอที่จะเปิดการสั่นสะเทือนได้เหมือนกันสมัยก่อนนี่ฉันเคยมายืนตะโกนกู่อยู่ที่นี่ปรากฏว่าเสียงที่ร้องบอกออกมานั่นมันสะท้อนกล้องกลับไปมาเหมือนมีคนมาขานรับนับสิบสิบคนแวดไปทุกมุมทุกซอกทั่วไปหมด ระบบเสียงเอ็โคที่นี่มันมหัดสจันมากทีเดียวว่าแล้วอนุชาก็ตะโกนขึ้นสุดเสียงว่ารบพินเสียงคำว่ารบพินของอนุชาแท่กลางวานไตระดับสูงลิฟขึ้นไปล้อเลียนกันอยู่ไปมาและลึกเข้าไปสู่ปลายทางอันไม่รู้จบอึดใจใหญ่ทีเดียว กว่ามันจะจางห่างหายไปในที่สุดอนุชาบอกต่อมาว่าเห็นไหมมันสะท้อนกล้องอย่างนี้แหละแต่ก่อนนี่มันจะกังวานกว่านี้อีกมากนะักพอหินตะเกละกะเหล่านั้นร่วงลงมาหมดแล้วเช่นนี้ความกังวานของเสียงก็เลยน้อยลงไปด้วยชาวป่าเรียกหน้าผาทั้งสองแห่งนี้ว่าผาผีร้องคือตะโกนทีไร ก็มีเสียงดังตอบล้อมาทุกทีอืมก็เป็นบริเวณที่แปลกดีแค่นึงทีนี้แกว่าถ้าหินก้อนนั้นมันขาดจากรอยกิว่วแล้วร่วงหล่นลงมามันก็จะเกิดความสั่นสะเทือนแรงมากพลอยพาหินเปลาะอื่นๆที่งอกอยู่ทั่วไปของหน้าผาถล่มร่วงกันลงมาทั้งหมดอย่างงั้นใช่ไหมชัยยันซักต่อไป ใช่เพียงก้อนหินใหญ่ก้อนนั้นก้อนเดียวเท่านั้นที่เริ่มต้นกลิ้งกระแทกลงมาหินบริวารอื่นๆจะพลอยหลุดร่วงตามเพราะมันเป็นหินเปราะ อ, อย่างที่น้อยก็พิสูจน์แล้วและเมื่อหินก้อนอื่นๆร่วงมันก็จะเกิดพลังทับทวีสะเทือนหนักขึ้นทุกทีเบิ้ลขึ้นไปเรื่อยๆทําให้เกิดทล่มติดตามกันมาเป็นการใหญ่เป็นปฏิกิริยาต่อเนื่องแบบลูกโซ่ เฉธาดารินและชยันเริ่มจะมองเห็นอะไรขึ้นมาบ้างแล้วตามคำพูดของอนุชาพี่กลางคะถ้ามันเป็นอย่างที่พี่กลางบอกมันก็มีโอกาสเพียงหนึ่งในหลายหลายหมื่นล้านที่หินก้อนนั้นจะถึงการหักสะบั้นลงมาเพราะมันอยู่ที่นั่นมานานแสนนานแล้วจะมาขาดร่วงลงมาในเร็วๆนี้เองเหรออืก็นั่นน่ะสิ มันถึงเป็นเรื่องที่น่าคิดไงว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนปีน่ยอยู่มาได้แต่ดันมาเสือกขาดลนพลอยพห้ายหินทั้งหมดถล่มตามลงมาด้วยเมื่อเร็วๆนี้แต่ถึงยังไงถ้าการเวลาของมันมาถึงก็ย่อมถึงอวสานขาดร่วงลงมาอยู่ดีแหละเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่ในระยะเวลาหมื่นหื่นแสนแสนปีเท่านั้น ระพินกับพวกเขาคงจะไม่เจอแจ็คพอตตอนเดินผ่านเส้นทางเอาในขนาดที่หินก้อนที่เธอว่าขาดลงมาพอดีนะหรือไงพี่ชายกลางา พ, พี่ชายใหญ่กล่าวแผ่วเบาถ้าโดยไม่ได้เกิดเพราะเหตุอย่างอื่นมาทำให้หินก้อนนั้นต้องขาดลงก่อนเวลาอันควรแต่มาขาดร่วงเอาในขนาดที่รับพินกับพวกคารวานของเขาผ่านมาพอดี ก็ต้องนับว่าเขาโชคดีอย่างมหาศาลชนิดบอกไม่ถูกพระจังหวะที่ประจวบเหมาะกันพอดีแบบนี้ตายแล้วเกิดใหม่อีกพันชาติก็ยากนักจะฟุกหาเจอคำพูดของอนุชาก็มีเหตุผลอยู่แต่ในขณะนี้ทั้งคณะรวมทั้งตัวผู้พูดเองก็มาเผชิญปัญหาให้ต้องคบคิดหนักอีกครั้งทุกสิ่งทุกอย่างมันดูเป็นปริศนาอันมืดมนไปหมด ต่อปัญหาที่ว่าคณะของรพินจะผ่านมาตามเส้นทางนี้จริงหรือไม่ก็ไม่มีข้อให้สงสัยต่อไปทั้งอนุชาและหนานอินยืนยันแน่นอนว่าราพินได้นําคณะนายจ้างและกะเรียงอพยพทั้งหมดผ่านมายังเส้นทางนี้โดยไม่มีข้อต้องสงสัยทว่าหินมันถล่มลงมาตอนไหนขณะที่เขาผ่านมาพอดีหรือภายหลัง นี่คือตัวปัญหาที่น่าวันวิตกที่สุดก็คือทั้งคณะรู้ดีว่าฝ่ายของรพินที่ล่วงหน้าไปก่อนนั้นเผชิญกับการก่อกวนรังควานประสงร้ายจากมันไรและถรงช้างผีสิงของมันตลอดเวลาที่จะดักเข็นฆ่าสร้างความย่อยยับให้มันก็ย่อมอาจเป็นไปได้เหมือนกันที่คณะของเขาทั้งหมดมาพบจุดจบ เอาภายใต้กองภูเขาถล่มนี่ด้วยอำนาจลึกลับของไอ้อาตมนุษย์ผู้เต็มไปได้วยความอาฆาตมาร้ายสำแดงตนเป็นศัตรูนั้นซึ่งสามารถบันดาลมาได้ในรูปแบบต่างๆขยินเป็นอีกคนหนึ่งที่ยืนยันกระดารินว่าลักษณะเดิมของภูมิประเทศในช่องเขาเป็นไปตามที่อนุชาและหนานอินบอกไว้ทุกประการ เพราะมันเองก็เคยเดินผ่านและรู้จักดีโดยเฉพาะก้อนหินใหญ่มีโคนกิ่วขอ้อก้อนดังกล่าวซึ่งแบบนี้ประหลาดสาการไปจากตำแหน่งที่เห็นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วถ้าพปลนใหญ่กับพวกนั้นผ่านเข้าช่องเขาตอนภูเขาถลม่มก็ไม่ต้องไปตามหาเสรีว่วไลอีกแล้วนายหญิงอยู่ใต้กองหินนั่นที่สมเป็นภูเขาเรากานั่นแหละ เจ้านักเลงโตหล่มช้างบอกมาเสียงเฮาเฮาแต่หางเสียงไม่เป็นสุนะักหน้าของขยินเหี่ยวลงเห็นได้ชัดเสียงช้างร้องตังหวานก้องขึ้นอีกครั้งพร้อมกับกระดึงที่ลั่นโกรกเกรกนั่นคือเจ้าด้วนซึ่งแน่ละบัดนี้มันไต่ขึ้นไปบนเนินถนนสูงสายใหม่ และคงจะไปหยุดรออยู่บนนั้นพร้อมทั้งส่งเสียงเหมือนจะให้สัญญาณเรียกมาดารินไต่ขึ้นไปตามกองหินที่ถล่มนั้นทันทีทำให้เพื่อนและพี่ชายต้องไต่ตามขึ้นไปด้วยเป็นแนวของกองหินที่ร่วงลงมากลบคล่อมทับขนทางสายเดิมซึ่งจมลึกอยู่เบื้องล่างและเต็มไปด้วยความขรุขระเหมือนใครเอาหินมาโถมกองไว ยังไม่ได้เกลีย่ยให้มีระดับเสมอราบเรียบแต่มันก็เป็นทางที่จะอาศัยเดินไปแม้จะไม่สะดวกนักก็ตามพอไต่ขึ้นไปถึงระดับกองหินถ ล, ล่มหลอนก็มองเห็นเจ้าด้วนยืนแกวงงวงหันหน้ามาทางหลอนพร้อมทั้งใบหูที่วาดอยู่พืบผับแต่ก็ไม่แสดงกิริยาอื่นใดที่ผิดสังเกตไปนะักบัดนั่นเองกระแสลมก็หวนตลบมาดารินทาจมูกฟุดฟิดฟุดฟิด ฐานประสาทอนเชียบไวัของหล่อนสัมผัสกับกลิ่นเน่าจางๆลอยลงมากระทบแต่หลอนบอกไม่ถูกว่ามันมาจากไหนสูงขึ้นไปบนยอดหน้าผาด้านบนหรือกลิ่นระเหยขึ้นมาจากกองหินถล่มเบื้องล่างกันแน่หญิงสาวหยุดชะงักอีกครั้งและคนอื่นๆที่ตามขึ้นมาก็ได้กลิ่นเน่านั้นพร้อมกันทั้งหมดยังไม่มีใครพูดอะไรในขณะนั้น นอกจากจะมองหน้ากันระหว่างนี้นอกจากดารินแล้วทั้งเชษฐาอนุชาชายันและหนานอินต่างก็ปีนขึ้นมาอยู่บนกองกองหินถล่มนั้นหมดแล้วและยืนจับกลุ่มกันอยู่บนก้อนหินที่สูงพนเอินครุขระสูงสูงต่ําๆไปตลอดแนวทางระหว่างซอกเขานั้นขยินยังคุมพวกลูกหาบไว้รอคอยอยู่ด้านล่างก่อน ตามคําสั่งของหนานอินดารินเริ่มมองลงไปบนถนนหินที่หล่อนขึ้นมายืนทันทีเหมือนกับว่าจะให้ดวงตามองแทรกหินเหล่านั้นลงไปถึงเบื้องล่างอันหลอนสงสัยอย่างประวันใจเต็มที่ว่ากลิ่นเน่าจะระเหยขึ้นมาจากกองหินนั้นอนุชาและพรานคู่ใจก็ก้าวไต่ออกเดินไปตามแนวกองหินนั้นอย่างช้า พยายามสำรวจตามช่องเท่าที่สายตาจะมองลงไปได้อันเนื่องมาจากแต่ละก้อนใหญ่น้อยขนาดต่างๆกันนั้นกองสุมอยู่หลวมๆไม่ได้อัดแน่นอย่างใดทั้งสิ้นตามธรรมชาติของการหล่นร่วงลงมาซ้อนทับกันอย่างปราศจากระเบียบคงมีแต่เชิฐาและชัยันเท่านั้นที่ยืนขมุดขมวดคิ้วนิ่งอยู่กับที่พยายามสูดหากลิ่น สีหน้าของทุกคนยามนี้เคร่งเครียดเห็นได้ชัดเอ๊มันก็พิลึกอยู่นะในที่สุดเชษฐาก็กระซิบออกมาเบาๆเจ้าว่ากลิ่นมันมาจากไหนใต้กองหินที่เรายืนอยู่นี่รอเปล่าชายันถามเสียงแผ่วเบามันไม่น่าสงสัยอย่างนั้นหรอกหรอหินที่หลนถล่มลงมากลบทางเหล่านี้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 ซึ่งบัดนี้กระโดดไปตามแง่หินถล่มเหล่านั้นตามหนังอนุชากรนันอินไปอย่างร้อนใจแล้วก็เห็นหล่อนลงทุนค่อยๆซุดกายลงนอนควา่าทางภาพกับกองหินเหล่านั้นยืนหน้าลงไปยังช่องโพรงโวตอนหนึง่งพยายามจะสูดหากลิ่นเชฐาสกิจชยันให้ไตาตามเข้าไปจนถึงตัวน้องสาวทางที่เกิดใหม่สายนั้น ถ้าแม้ว่าจะเดินกันไปถึงจะเห็นเป็นแนวทางตลอดโลกแต่มันก็ไม่สะดวกนักเพราะพื้นขรุขระมากที่สุดต้องหาแง่หินเหยียบพยุงกันไปอย่างระมัดระวังมิฉะนั้นเท้าอาจจะแพลงหรือถลําลงไปในซอกของหินแต่ละก้อนที่กองซ้อนกันอยู่ก็ได้และเมื่อยิ่งปีนป่ายกันขึ้นมาเดินอยู่บนเส้นทางนี้ก็ยิ่งแน่ใจว่า มันเป็นลักษณะของก้อนหินภูเขามากมายที่เพิ่งจะถล่มร่วงลงมาเมื่อไม่นานนี้แน่นอนมีกลิ่นระเหยขึ้นมาจากด้านล่างเหรอน้อยชายันถามเสียงต่ำๆดารินแม้มริมฝีปากหล่นฟังภาพอยู่ตรงนั้นอีกอึดใจข้าวหน่าฉงนและยันกายลุกขึ้นนั่งสันศีรัะไม่ใช่นะ กลินมันไม่ได้มาจากช่องโพรงหินด้านล่างนี่เลยเทศถามมองไปเบื้องหน้าเห็นอนุชากะนันอินกำลังเดินเลี่ยงตัวไปตามก้อนหินใหญ่น้อยที่สุ้มพเนนอยู่และตะโกนถามได้กลินทางด้านไหนแน่เป็นไปได้ไหมกลินศพที่ถูกกลบอยู่ด้านล่างชวยตลบขึ้นมาทั้งอดีตพรายชดและนันอินโบกมือส่ายไปมาอย่างเชิงปฏิเสธ แต่ก็ไม่ได้โตตอบอะไรมาในขณะนั้นแล้วทั้งสองก็ซุบซิบซุบซิบอะไรกันอีกแงนมองขึ้นไปบนหน้าผาสูงลิฟต์ซีกซ้ายซึ่งประมาณ3ใน4ส่วนของหน้าผาตอนนั้นเ ก, กลี้ยงเกลาเนื่องจากผิวของหินที่เกาะอยู่ร่วงลงมาอยู่เบื้องล่างแต่ส่วนที่สูงขึ้นไปอีกหนึ่งส่วนจนถึงบริเวณยอดก็ยังมีแง่มุมเหลี่ยมของหนอหิน งอกอยู่เหมือนสภาพเดิมของมันแสดงว่าส่วนที่สูงขึ้นไปไม่ได้ร่วงลงมาด้วยหรืออาจผสมโรงร่วงลงมาบ้างก็เพียงส่วนน้อยเท่านั้นอนุชายกกล้องส่องทางไกลที่คล้องคออยู่ขึ้นซองตรวจทําให้ทุกคนเงยตามบ้างก็มองด้วยตาเปล่าและบ้างก็ใช้กล้องประจําตัวแต่เป็นการตรวจดูคนละมุม เนื่องจากยืนห่างกันออกไปพี่ใหญ่ครับรู้สึกว่าน่าจะมีอะไรสักอย่างอยู่บนหน่หินที่งอกพลาวอยู่บนบริเวณใกล้ส่วนยอดของหน้าผาน่ะนะครับ อ, อะไรเชิดถามองด้วยตาเปล่ายังไม่เห็นอะไรชัดฝูงแรงครับมันเกาะเต็มอยู่ตรงซอกหินเหนือตำแหน่งที่เห็นเป็นบ่อขาวเวอร์ ตรงที่ผมชี้ให้ดูแต่แรกนนจะมีซากอะไรตายคาอึดอยู่ตรงนั้นแต่ยังเห็นไม่ถ น, นัดเพราะมันมีเหลี่ยมหินบังครับศพคนหรืออะไรไม่น่าจะเป็นคนนะครับเพราะขนาดมันใหญ่เหลือเกินเอางี้ทุกคนรอผมอยู่บริเวณนี้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวผมกับลุงอินจะปีนขึ้นไปดูให้ชัดๆกลิ่นเน้าเนะ่ะมันโชยมาจากซากนั่นแน่แน่หืม แกจะปีนขึ้นไปดูเหรอชยันร้องก็ไม่มีทางอะไรจะแก้สงสัยและเข้าหาความจริงเพื่ออ่านเหตุการณ์ได้ดีไปกว่านี้นี่อ่าแล้วจะขึ้นไปได้ยังไงทางมันชันเหลือเกินนะไม่มีแง่หินให้เกาะได้ถนัดเลยแล้วมันก็สูงมากด้วยเชิดถาแยงมาไม่เป็นไรครับผมก็ลุงอินพอปีนขึ้นไปได้ครับถ้าไม่งั้นเราก็สงสัยงงไปหมดอยู่นี่เองยอมเสียเวลาหน่อย ไม่ไม่นานหรอกครับเอา้าตกลงจะขึ้นก็ขึ้นแต่ต้องระวังตัวหน่อยนะทั้งสองคนอะ่ะอางนี้วางไรเฟิลแล้วก็ถอดเครื่องหลังเอาซะ ก, ก่อนจะได้ไม่เกะกะหรือทวงหนักเดี๋ยวพี่น้อยแล้วก็ชายันจะคุมให้ข้างล่างนี้เองเพราะไงไงแนวทางมันมก็โลง่งมองเห็นได้ตลอดหนึ่งร้อยสิบสามเมื่อได้รับอนุญาตอนุชากนันอินก็ปลดเครื่องหลัง และวางไรเฟื่อนลงทันทีเชิถาชัยยันและดารินไต่ก้อนหินตรงเข้าไปยังตำแหน่งนั้นเพื่อจะได้มองเห็นการเคลื่อนไหวของอนุชาและหนานอินได้ถนัดโดยไม่ยอมให้มีมุมไหนลับตาและก่อนที่ทั้ง3ามจะเข้ามาถึงทั้งอนุชากับหนานอินก็ปีนกันขึ้นไปตามแก่งแง่หินอันสูงชันแล้วอย่างชำนาญ สิงชั ย, ยนตะโกนร้องเตือนไล่หลังขึ้นไปว่าถ้าขึ้นไปได้ก็ขึ้นนะแต่ถ้าเห็นทางตอนไหนมันเกินความสามารถก็อย่าพยายามหยุดอยู่เท่าที่จะขึ้นไปได้ก็แล้วกันเราจะติดต่อกันทางวิทยุทางด้านนี้จะคุมแม่เองถ้าอะไรที่คิดไปไม่ถึงมันโผล่มาจากซอกหินข้างบนนู้น อดีตพรานชดกับพรานครูผู้เฒ่าค่อยๆแสวงหาความหาทางไตสูงกันขึ้นไปตามลำดับเชษฐาดารินและชยันยืนแง้มองอยู่ตลอดเวลาและดับความกระวนกระวายด้วยบุรีกลิ่นเน่านั้นบางครั้งก็ขาดหายไปบางครั้งก็โชยรุนแรงขึ้นกว่าที่ได้กลิ่นครั้งแรกสุขแต่อาการพัดของลมทั้งคู่ไตเขาอย่างแคล่วคล่อง แต่ก็ระมัดระวังทุกอิริยาบถ ท, ที่คืบสูงขึ้นไปแล้วสูงขึ้นไปตามลําดับดารินนั้นกระสับกระส่ายอยากจะปีนตามขึ้นไปกับพี่ชายกลางด้วยแต่พี่ชายใหญ่และเพื่อนดูจะอ่านใจออกกดไหลเอาไว้นี่นั่งพักอยู่ตรงนี้แหละน้อยสองคนนั่นเขาขึ้นไปแล้วเดี๋ยวก็รู้ว่าเป็นซากของอะไรที่ติดคาอยู่น่น ถึงไม่จำเป็นต้องปีนขึ้นไปให้เสียงแล้วก็เหนื่อยแรงเปล่าหรอกจากคําปรามนั้นเองราชาสกุลสาวจึงถอนใจยาวสุดกายลงนั่งกระแง่หิงใหญ่ก้อนหนึ่งที่หล่นลงมาทับโถมทางขณะนั้นเองขยินก็กโวกโวกร้องถามขึ้นมาเชษฐาจึงตัดสินใจบอกให้พวกนั้นไปขึ้นมายังถนนสายใหม่นี้ด้วยเพื่อมองหินพร้อมหน้ากันทั้งหมด ห่างออกไปราวสามสิบเมตรเจ้าด้วนก็ยังคงยืนสงบเหมือนจะรออยู่ด้วยแต่ก็ไม่ได้เดินย้อนกลับเข้ามาหาขยินนำลูกหาบทั้งห้าคู่แต่ถนนสายใหม่ขึ้นมาอย่างลำบากยากเย็นแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนเข้ามารวมกลุ่มกับฝ่ายนายจ้างกลิ่นโชยลงมาจากข้างบนแน่แลใใ้วนะยาย่ เจ้านักเลงโตหล่มช้างที่ร่วมขบวนมาด้วยบอกเสียงเห้าๆกับเชษฐาพร้อมทั้งชี้มือไปยังตำแหน่งเดียวกับที่อนุชาได้กำหนดหมายไว้ก่อนซึ่งก็น่าจะเชื่อได้แน่นอนขึ้นไปอีกเพราะเรื่องระบบคานาปรา์ศาสัมผัสกลิ่นด้วยกันแล้วขยินขึ้นชื่อลือชาเป็นที่รู้กันมานานแล้วแม้นายชวนหัวหน้าลูกหาบเองก็ยืนยันเช่นนั้น ทุกคนได้แต่รอรายงานผลจากอนุชาและหนานอินที่เห็นตยีสูงขึ้นไปตามลำดับเท่านั้นดารินอัดควันบุรีแดงวูบวูหลอนไม่วายมองไปรอบรอบตัวอันเต็มไปได้วยความครุขระของกองหินมหาสาลแวดล้อมแล้วก็มองตามพี่ชายกับพรานครูผู้เท่าสลับกันอยู่เช่นนั้นเชฐาชยยัน ก็พากันนั่งควักผ้าขนหนูจากอกเสื้อขึ้นมาเช็ดเหงือ่อโดยนั่งกันอยู่ตรงบริเวณที่อนุชาและนานอินถอดเครื่องหลังกระไรเฟิ้นประจมือวางไว้มิชามินานร่างของคนทั้งสองก็สูงห่างขึ้นไปเป็นลำดับจนมองเห็นเท่าตุ๊กตาขนาดสูงไม่เกินคืแล้วทั้งคู่ก็ลับหายเข้าไปในเหลี่ยมบางของหินที่เห็นงอกขวงบังตาอยู่ กันแล้วเสียงวิทยุทั้งสามเครื่องที่เปิดเตรียมพร้อมอยู่ด้านล่างก็แววเสียงตื่นเต้นของอนุชาลั่นออกมาว่าพบแล้วครับพบไอตัวต้นเหตุที่กลิ่นเหม็นเน่าแล้วล่ะแปลกมากเจ้ามันมาหัวทิ่มงอกองอขิงเน่าคาอยู่ในซอกขิงนี่เองขณะที่แววเสียงอนุชาออกมาจากวิทยุทุกเครื่องทุกคนที่รอคอยอยู่ ก็เห็นแรงฝูงหนึ่งประมาณยี่สบสาิบตัวบินว่อนดำอยู่เหนือบริเวณนั้นคงจะตกใจที่เห็นคนเข้าไปใกล้พากันบินขึ้นแต่ก็ไม่ไปไหนไกลคงบินร่อนฉวัดฉวียนอยู่ตรงบริเวณนั้นเองอะไรล่ะอดีต ท, ท่านทูตทหารบกกด ค, คีวิทยุของตนถามสวนขึ้นไปช้างงาครับ เป็นช่างงาขนาดใหญ่เข้าใจว่าถูกยิงหัวทิ่มลงมาคาแง่หินใกล้ๆกันที่ผมยืนอยู่เนี่ยกำลังขึ้นอืดเต็มที่เลยลักษณะจะตายมาราวสักสีห้าวันละหรืออาจจะนานกว่านั้นก็ไม่เกินเจ็ดวันนะครับพิจารณาดูให้ดีสิว่าอะไรมันเป็นอะไรพี่ชายใหญ่สั่งขึ้นไปอีกอย่างเร่งร้อนเสียงของด้านบนเงียบไปครู่นึงซากช้างครับ ถูกปืนจริงๆด้วยผากลางกระโหลกชนิดสวนหน้าเลยลักษณะของมันพอถูกปืนก็สุดทะไหลลื่นลงมาชนหินใหญ่ก้อนนึงหลุดและเข้าใจว่าหินก้อนที่มันชนหลุดนั่นแหละได้กลิ้งลงมากระทบตรงรอยคอดเกี่ยวของหินลักษณะลูกตุ้มดังได้บอกแล้วทําให้ขาดร่วงลงไปก็เลยพลอยพาทําให้หินบริเวณบริวารด้านต่ํำถล่มลงไปกลบข้างทางข้างล่างหมด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 แสดงว่าคนยิงจะต้องไต่ทางขึ้นมาประจันหน้าแล้วยิงเอาอย่างใกล้ๆเกือบจะเรียกว่าเผาขนทีเดียวคงไม่ใช่เพราะยิงมาจากช่องทางข้างล่างแน่นอนเพราะทิศทางมันไม่ห้าแล้วมีร่องรอยอื่นออีกไหมคะพี่กลางดารินถามบ้างใจหล่อนยังอยากที่จะตามขึ้นไปดูให้เห็นกับตาให้ได้บัดนี้ผุดลุกขึ้นยืนแงหน้ามองขึ้นไป ไม่มี้ไม่มีหลักฐานอื่นให้สังเก ต, ตได้อีกแล้วนอกจากซากช้างที่ติดคาอยู่กลางแง่หินนี่เท่านั้นแต่ที่แน่ๆก็คือการถูกยิงของไอ้ช้างตัวนี้แหละเป็นผลให้มันชนหินก้อนหนึ่งลงไปกระทบหินก้อนสำคัญพลอยพาให้หน้าผาแถบนี้ด้านต่ำลงไปถล่มลงไปทั้งแถบเลยตัวกาานพบแล้วเดี๋ยวรออีกหน่อยได้ไหมจะขอไต่ให้ถึงยอดเลยเผื่อจะไปพบวิแววอะไรอีก ประโยคหลังอนุชาร้องขออนุญาตลงมาไม่ต้องกลางพอแล้วเธอกนะนอินกลับลงมาเดี๋ยวนี้เถอะแงนก็ไปดูบนท้องฟ้าเหนือหัวของเธอนั่นพี่ว่าลักษณะมันพิกลอยู่นะเมฆดำมืดลอยหมุนเป็นเกลียวม้วนตัวเหมือนมังกรเล่นหางพี่ว่ามันกำลังจะเกิดพายุภายในไม่กี่อีกใจข้างหน้านี่แหละนี่ในซอกเขาข้างล่างลมก็เริ่มพัดอู้แรงทุกทีแล้วนะ เชิาสั่งขึ้นไปอย่างเร่งด่วนกระทันหันจริงดังที่พี่ใหญ่ของคณะบอกไม่มีผิดจากท้องฟ้าอันสว่างเจอจ้าอยู่หลัดหลัดบัดนี้ไม่ทราบว่าเมฆดำลอยมาจากไหนแผ่เป็นเหมือนหมอกพระกาลปกคลุมบริเวณผาผีร้องอย่างรวดเร็วราวกับบรรดานขึ้นโดยเวทมนตรกลักษณะของมันน่าพิศวงระคนน่าสะพึงกลัวเป็นอย่างยิ่ง เพราะไม่ใช่เมฆดำอย่างเมฆฝนแต่เป็นเมฆหรือมิฉะนั้นก็ศูนย์กลางของแหล่งพายุร้ายเพราะมันไม่ได้ลอยปกคลุมอยู่เฉยๆหากแต่ม้วนตัวเป็นเกลียวหมุนคว้างบดบังแสงตะวันทำให้มืดครึมลงในบักดลและกระแสลมอันเคยสั ง, งัดก็เริ่มกันโชคฮือฮือมาเป็นระยะระยะ ฝุ่นละอองผงคลีพุ้งตลบไปหมดเสียงลมพัดลงมาในช่องเขาดังอู้ประเดี๋ยวอ่อนไปประเดี๋ยวกระนำหนักจนแทบจะยืนทรงตัวอยู่ไม่ติเพราะยังไม่มีเสียงตอบรับมาจากอนุชาชั ย, ยันผู้กำลังเอามือป้องหน้าบังฝุ่นอยู่ตะโกนกรอกลงไปในวิทยุสุดเสียงเฮ้ยกลง้งรีบรองเดียวนี้ขนาดข้างล่างยังแทบยืนกันไม่ติแล้ว ลักษณะเหมือนทอราโดระวังจะถูกพัดริว้วหรือไม่ก็ถูกดูดขึ้นไปบนนรกเหนือฟ้านัน่นโว้ยพายุหมุนมาแล้วเว้ยสภาพข้างบนระว่างอนุชาและหนานอินซึ่งขึ้นไปดูซากช้างอยู่บนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างในขณะนี้ทุกคนมองไม่เห็นแต่เฉพาะด้านล่างเริ่มชุนละมุนกันแล้ว เสียงร้องเออะโวยวายในหมู่ลูกหาาเมื่อถูกพายุประหลาดกระโชกฮือเข้ามาพร้อมทั้งหมุนเป็นเกลียวดูดเอาฝุ่นทุลีและเศษหินเล็กๆให้เป็นม่วงสูงขึ้นไปบนคานสัมภาระข้าวของมีค่าเหมือนจะถูกมือมหายักชุดดึงให้เป็นประจัดกระจายขึ้นไปด้วยจนต้องตะครุบและยึดกันไว้เป็นธารวันหมอกวันของพายุตลบมัวมนไปหมด ดารินนั้นถึงกับเฟหลุดลงจากแง่หินที่ยืนอยู่ลงไปหมอกกระแตอยู่ในซอกโพรงใกล้ๆเช็ดหาช ย, ยันก็เพนออกจากที่เพื่อหาที่หลบกำบงังพร้อมทั้งตะโกนสั่งการกับขยินและพวกลูกหาทั้งหลายเสียงหลงไปหมดเพื่อเข้าบังซอกหินขนาดใหญ่ไวโวยวายชุนลมุนกันไปหมดทั้งคณะท่ามกลางเสียงวาตะที่คารนอยู่เฟี้ยวฟ้าว สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนชนิดตั้งตัวกันไม่ติดและไม่มีอะไรเป็นลางบอกเหตุให้รู้ล่วงหน้าแม้แต่นิดเดียวสีเจ้าด้วนร้องดังก้องขึ้นครั้งหนึ่งแล้วมันก็ไม่อาจยืนอยู่ตรงที่เดิมต่อไปได้ออกแรกตลอดไปตามทางนั้นมุ่งหน้าออกนอกเส้นทางระหว่างซอกเขาทันที มันเองก็คงจะบ่ายหน้าหนีพายุบ้าดีเดือดเข้าหาที่หลบกําบังเช่นกันเสียงโบกเวกโวกเวกอย่างกระโกตกใจของอนุชากับหนานอินดังออกมาจากวิทยุฟังไม่ได้สับเหนื้อสีสากของคนทั้งสองซึ่งบัดนี้อยู่ในระหว่างชะโงกหินใหญ่สองด้านใกล้ๆซากช้างฝูงแรงประมาณ 3-40 ตัวกาลังถูกลมพัดกระจัดกระจาย เหมือนมีอะไรมากกว่าบางตัวถูกดูดดึงสูงลิวหายขึ้นไปยังอากาศเลื่อนบนตามวนงวงของพายุลักษณะประหลาดนั้นหายวับไปกัดตาไม่ต้องเป็นห่วงผมกับลุงอินไม่ต้องเป็นห่วงนั่นเป็นเสียงตะโกนลงมาทางวิทยุละล่าละลักระวังตัวเองด้านล่างไวหินที่เหลืออยู่อาจร่วงถล่มลงไปอีก เ้าหาที่กำบังหลบนิ่งไว้ก่อนผมกับลงอินจะหลบอยู่บนนี้พื้นเพลอไปนอกที่กำบงังถูกลมดูดปลิวแนะ่ปริวพายุวูบจากส่วนสูงด้านบนลงมาหาด้านล่างเป็นจุดๆแล้วก็หม้วนหมุนเหมือนดึงดูดเอาทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่มันจะหอบ้าได้ให้ลอยสูงขึ้นไป สุดแต่ว่ามันจะจับลงยังส่วนไหนบริเวณใดสำเนียงเสียงคำรนของมันขณะ น, นี้ไม่มีอะไรจะน่าสะพึงกลัวเท่ามันไม่ได้พัดผ่านระหว่างช่องทางเดินแต่วูวบว่าวูบวาาลงมาจากด้านบนของช่องผาประชิดทั้งสองด้านยกไกลออกไปยังรั้วป่าด้านนอกในรัสมีหนึ่งไม์รอบด้านเท่าที่พอจะมีต้นไม้อยู่บ้าง ไม้ใหญ่หักโค่นถอนรากปาแตกอยู่คลื่นครันราวกับแผ่นดินไหวถ้าเขามาสองสามผืนที่พ่อหัวบรรดาพวกลูกหาบจะเป็นของใครบ้างไม่ทราบได้บัดนี้เห็นชัดๆกับตาว่ามันหมุนตลบควงติวติวลอยสูงลิฟต์ขึ้นไปรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อราวกับถูกปลองเครื่องบินไอพ่นดูชนนั้นนายนาย พยายามต้อนในพวกนั้นหาเวิงหรือหาซอกเขาหลบผูกยึดตัวเองไว้กับก้อนหินหนักๆ ก, กันทุกคนเจ้าเขาที่นี่แรงมากแล้วเดี๋ยวนั้นเองจัด ก, กันเอง